เหลือเวลาชิบ้นาทีพูดคุยธรรมะได้พูดคุยปัญหาได้นังภาวนาฟังไปนั่งภาวนาฟัง เราก็ดูคนตายข้างนอกเราจะได้เห็นสภาพ ค, ความเป็นจริงฉะนั้นเราก็มาเทียบว่าสมมุติเราตายบ้างเราไปงานศพเราดูสิงานศพ บ, บางอย่างเราไปรดน้ำศพเนี่ยเราจะเห็นคนตายนอนอยู่บางทีเขาเอาเข้าวโเข้าวหีบแล้วเราก็ใช้สัญญาจอดูเข้าไปนอนอยู่ในท่าทีที่ มีความหมายในตัวเองแล้วจากนั้นเวลาเลยไปหนชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงเริ่มขึ้นอืด น, น้ำเหลืองน้ำเขียวกลิ Green, น่นเริ่มส่งกลิ่นถ้ามีช่องว่างให้แ ม, ม, ม, ม, ม, ม, vic, ม, มลงวันมันเข้ามันก็เข้าไปเจาะไปชอนไปชัยแมลงวันมันเข้าไ ป, ไ ป, ไ ป, ม, าไปมันปล่อยลูกเข้ามันนะ แมงวันบางชนิดมันปล่อยลูกออกเป็นตัวๆเลยปัดๆๆๆๆๆเจาะโยเย ย, ยุบยับขึ้นทันทีเลยนะแมงวันบางอย่างมันไปก่อยมันไปปล่อยไขเอาไว้ระยะเวลาไม่กี่นาทีแล้ะมันฟักตัวแล้ว่ะเป็นกลุมเป็นกลุมเป็นกลุ่มยเยยุบยับยุบยับยุบยับยุบยับเราดูความตายขางเรายังไม่เห็นชัดเราก็ดูความตายข้างนอกอ่ชาชัดตาเราวา่าหิดท่าวา่าดูข้างนอกเราเทียบมาข้างในดูข้างในแล้วก็เทียบไปข้างนอก สิ่งที่จะทำให้เราสลดใจได้ง่ายที่สุดก็คือดูซากศพแต่เราถ้าได้ดูของจริงด้วยแล้วมันถึงใจถึงใจบางอย่างมันติดใจติดหูติดตาติดใจเอาภาพเหล่านี้แหละมาประทับที่ใจของเราอ๋อเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังนักีโตมีอย่างนี้เป็นธรรมดาแม้แต่เราก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ เขพตอบกันครับคุณอาจารขอช่วยชี้แนะแก้อารมณ์โงโนะต้องมีสติรรมต้องเจริญเมตตาเป็นพื้นใจของเรามันจะไม่แข็งก็ได้คนที่ถือตัวจับ มักจะมีอารมณ์รุนเฉียวเกลียยกลา่ามีความเชื่อมั่นตัวเองสูงความขัดใจและสิ่งวันนี้เกิดขึ้นจากเราสั่งสมมาเองพูดบ่อยครั้งไม่มีใครสังสมให้เราเราสั่งสมเองต้องเจริญเมตตาเป็นภาคพื้นเจริญเมตตาย่างมจะได้ถึงกิดถึงใจเอาใจเราไปเทียบใจเขาเอาใจเขามาเทียบใจเราราะทีเรารูไปที่สัต สัตว์มันกำลังทุกข์ยากลบาบากเราเคยเห็นสุนัขที่มันถูกรถทับมันเดินตะกุยสองขาขาข้างหลังสองขาล่าไปเสร็จแล้วก็ไปถูกนุ่มนี้ถลอ ก, ปลอกเปิดเป็นแผลนอนก็เจาะไอส่วนข้างหลังที่มันเลียมันทำอะไรไม่ได้นอนก็เจาะไป ย, ยุ่ยยุบยับยุบยยมก็ตะกุยหาขีนแล้วดูโอ้โหดูเทียบดาว ถ, าถ้าเราเป็นอย่างไนบ้าง เทียบเราแล้วมาเทียบมาที่เทียบเขาแล้วก็มาเทียบมาที่เราเทียบเราแล้วก็เทียบไปดูเราแล้วก็เทียบไปที่เขามันจะเกิดความเมตตาซึ่งใจสลดใจหดหู่ใจขึ้นมาดันทีใจมันอ่อนนนิ่มนี่คือแผ่เมตตาให้เป็นพื้นพื้นในจิตของเราใจของเราที่เคยแข็งกระด้างก็จะเริ่มอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแต่ด้วยเหที่เราเจริญสตินี่แหละมันจะทันโกรธเกิดขึ้นมันก็จะทัน คือเราสติไม่ทันแล้วพรุงร่งพรุ่งล้างปากมาไปแล้วปากน่ย ป, ป, ปากเคยพร้อยเพราะอะไรเพราะสังสมมายอย่างนั้นไม่มีใครสังสมมาสังสมมาเองทุกเองสิวิธ <c oughs> ีแก้พยายามเจริญสติให้มากมันจะได้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ไปในขณะเดียวกัน อข อ, ขอการเทศน์สอนนับนตื่นขอทราบายการแก่ง่วงเวลาท่านสมาธิระบายแกงง่วงความง่วงมันมีสองภาวะภาวะหนึ่งทีนักมิถะครอบงำความขี้เกียจขี้คร้านของใจมันครอบงำ อีกสาเหตุนหนึ่งก็คือร่างกายของเรามันอ่อนเพลียเช่อย่างเราใส่อาหารไปเต็มอิ่มแปรร่างกายทํางานหนัก น, ะ, นะตามหลักของหมอกขว่าร่างกายถ้าใส่อาหารไปใหม่ๆมันจะทํางานหนักร่างกายก็เหน็ดเหนื่อนเพลียมกันอยากหลับอยากหลับ อ, อยากพักบางครั้งใจมันขี้เกียจมันก็อยากหลับ ก, ก็ไม่พ้นกันเจริญสติรู้สึก ความง่วงเกิดขึ้นจิ้มใส่ตรงที่มันง่วงนั่นแหละมันมีกิริยาอาการบอกอยู่จิ้มใส่มันเลยตั้งสติโร่ขึ้นมาจิ้มขึ้นมาตื่นโร่ขึ้นมาเลยลองดูสินี่แกงง่วงได้แต่ตามที่พระุทิเจ้าท่านสอนพระโมคคัลลานะท่านบอกให้เจริญธรรมบทนั้นเจริญธรรมบทนี้ให้ลุกไปเลี้ยวดูทิศ เลี้ยวดูดาวดูเดือนเอาน้ำมาลูบตัวให้นอนตะแคงขวาเดือมเท้าซอนเท้าซ อ, อนเท้าถ้ามันไม่หายง่วงจริงแต่ให้จั้งสติในใจว่าจ ะ, จ, ะจะลุกจะลุกจะลุกจะลุกจะลุกนี่ยพระเจ้าไปสอนสอนพระมคลนนะพระมคคลนนะไปทำความเพียรอยู่ที่กาลวันมุตคามถูกความความง่วงครอบงำพระเจ้ากษัตริยไปสอนอุบายวิธีนี้แหละ แต่ไอหลักที่หลวงพ่อพูดตอนแรกนะั้นเป็นหลักในมาซิปถานมันเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องลองดูแต่ต้องตั้งใจทำจริงจังเท้าบางครั้งเราอยู่โดยลาพังแต่ต้องดูเวลนำเวลาด้วยบางทีมันไม่ใช่เวลาหลับเวลานอนแต่มนังกายมันหมดแรงก็แบพื้น ร, บราบๆไม่ต้องมีหมอนมีอะไรน้นหรอก บางทีไม่ต้องปูผ้าปูอะไรนอนเลยบนราบบนพื้นเลยห้านาทีแต่ไม่ปล่อยนะมีสติมีสัมผัสยากำหนดจดจ่อแค่นั้นก็หายงง น, นะท้าวติชช์ของเคยถามันหายแค่นั้นไปหายอยู่ไปได้อีกพิยเแตแ บ, ตบต์บางครั้งเร า, เร า, เ, ราเรานอนอยู่แต่มันไม่หลับหรอกแต่ร่างกายไม่ได้พักผ่อนอ้าวมันมันหายงงได้เหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องหลับถ้ามันจะหลับก็หลับช่างมัน ด้วเหตที่เราคิดว่าเราจะลุกเราจะลุกเราจะลุกเราจะลุกเนี่ยสัญญามันปลุกตัวของมันเองไอ้ผู้คิดจะลุกจะลุกคือใจดวงนี้แหละไอ้พวกที่จะพาเราอยากหลับอยากนอนก็คือความอ่อนแรงของใจของเราเนี่แหละเราพยายามสร้างพลังให้กับมันคือสติกำหนดจดจ่อบางทีอาการดูเหมืนมันจ่อล้วไปมันเห็นอาการของมันจ่อใส่มันเลยมันเป็นการปลุกมันเป็นการจี้ไฟกึะต กระจายไฟให้มันสว่างโรกทำความสว่างอรโลกะสัญญาทำความสว่างในใจของเราทำความสว่างในทํามกลางความมืดแหละหลับตาแล้วทำความสว่างให้มันมืดมันทึบเก็ เ, เหตุให้เรากระตุ้นให้หายง่วงได้ถ้าไม่หายจริงๆก็บแบ่ให้มันสักหนาทีดูเหตุของมันด้วยต้องดูเหตุของมันด้วย อ้ท่านาในคำถาบเร่การพัอบบนนบว่ า, าแม้ว่าจะลดอาหารลงแล้วนะครับลดเวลาลงแล้วเนี่ยก็ยังมาจะเตัวม่นันสธิก็จะเียนก่อนต่อตามหลังดเวลาีการลดอาหารกันแล้วอดนอนก็แล้วอะไรนะอดนอนผ่อนอาหารเหรอ เ ป, เป็นผู้มินหนักในติปทาง่วงหรือเปล่าปฏิปทาอะไรปฏิ ป, ท, ปทาง่วงไม่รู้จักสัง่งจักสายมันเอาดูเหตุพยายามหาเหตุให้เจอเหตุของมันความคิดเกียรีิค้านความขาดความเลื่อมใสศรัทธาขาดกำลังใจอะไรที่จะทําให้เรามีกําลังใจทําเข้าไปอะไรที่มันจะช่วยกระตก กายของเราให้ตื่นเรากพยายามทำเข้าไปฟื้นทําไปแต่ถ้าหากมาอยู่ในท่าทีที่เรามันจะได้ทักความพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนให้มันซะแทนที่จะเราจะเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงเสียเวลาให้กับมันสิบนาทีนี่เราออกมาทํางานไ ด, ได้เยอะกว่าเทียบเทียนเหตุผลอย่างนี้เราก็จัดการไปแก้ไขกันไปทําได้ก็เป็นอุบายวิธีของใครของเราไปแต่การอดนอนผ่อนอาหารเนี่ย ผ่อาหารกับการปวดนอ น, นมันเข้ากันนะมันเข้ากันแต่ถ้าเราต้องการปอดนอนหรือเนรศึกทั้งคืนเนี่ยแต่เราไม่ไมผ่อนอาหารไม่อดอาหารเนี่ยอาหารมันทับร่างกายมันคึกขนองด้วยอาหารมันทับด้วยแต่บางครั้งอดอาหารก็ตามมันก็ยังงงเ ง, งาเหาหนอนอยู่ทีน้มิถะมันพร้อมที่จะครอบงำเราความง่งเงาหานอนความงงเงาหานอนก็ดูไปด้วยมีคติสอนใจเธอเองด้วย อยากนอนมากมานอนเดี๋ยวมึงอยู่ในโรงมันนอนมันรู้จับจบมัรู้จักสิ้นเนี่ยตอนนี้มึงทำงานก่อนรู้จักอามันรู้จักปลอบมันสิอุตสาหพยายามเข้าไปไม่มีสุดวิสัยจึงกิ้มเข้าไปเลยที่ยังมีความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวของตัวเนี่ยใช้สติใช้ใชสมัรถะเนี่ยเจาะใส่เข้ามันไปเลยเนี่นี่มันได้ผลนะ โยบายวิธีเป็นของตัวเองเนี่ใช้กลับอะไรก็ได้ประโยชน์การพิจารณ า, า ค, ความตายเพื่อไม่ให้กลัวความตายทำได้อย่างไรอเพื่อคิดว่าวันเดเราต้ตายพ่อแม่เห็นลูกเราต้ตายรู้ววสึกกลัวท่านจึงให้หร เ, เราพิจารณาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ไปไม่ได้สอนใจตัวเองทุกระยะทุกเวลา เรามีความเจ็บเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ท่านในสอนให้พิจารณาให้เห็นความตายว่าทุกคนจะต้องตายเรามีความตายดักรออยู่ข้างหน้าด้วยกันทุกคนมันไม่พ้นความตายแล้วเราไม่ต้องไปกลัวมันด้วยเหตุที่เราตั้งใจสร้างคุณงามความดีให้มากในเมื่อเรามีคุณงามความดีมากเราไม่กลัวตายคนที่ทำบุญไว้มากเขาังไม่กลัวตายนะ ไม่กลัวตายอดูแต่ธรรมะทำให้กขาเอาบาศกเลยไความตายใกล้เข้ามาเนี่ยเทยวบุธเทียวดามารอรับเต็มไปหมดในความดีรับไม่กลัวตายตายไปแล้วเทยวดาแย่งกันเอาเทยวดายแย่งกันปันสินค้าโอชั้นเยี่ยมเลยแหละมาแย่งกันซื้อใครมีโชคดีก็ได้ไปก่อนตายนี่แหละเราควรจะทาอะไรให้มันคุ้มค่าที่สุด ความตายเข้ามาถึงเราหมดโอกาสทุกอย่างเคยเป็นก็เป็นไม่ได้เคยเป็นพ่อก็เป็นไม่ได้เคยเป็นแม่ก็เป็นไม่ได้เคยเป็นตำแหน่งเกียรติยอศอะไรสละพัก็เป็นไม่ได้แล้วละทิ้งไปทั้งหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ทรัพย์สม บ, บัติหามาม า, ม า, ม า, มากมกายกอง้อยว่าเป็นของคนอื่นไปทั้งหมดไม่มีอะไรหลงติดทางเหลืออยู่พอความตายเข้ามาถึงหมดสิทธทุกอย่างเดินไปกับกรรมของตัวเอง ปอยู่พวกไหนภูมิไหนกรรมส่งเราไปอะไรได้ที่จะเป็นสเสบียงกรรมที่จะติดตัวติดเนื้อติดตัวเราไปให้คำนึงถึงเรื่องเหลาไี้ให้มากเป็นความไม่ประมาทมารณาสติมรณาสติทำความเจริญไม่ประมาทผู้ที่เจริญมรณาสติได้ผลให้ให้ไปอ่านประวัติอาจารย์อ น, นันต์นนะเราเคยเราเคยฟังประวัติอาจารย์นันท่านเจริญมรณาสติ ได้ผลไปได้เลยอาจารย์ อ, น, อ น, นันตวัดมาพจัน์ฮะใครเคยอา่านบ้างอาจารย์อนันตนีจี๋จี๋เขาเคยไปบวชที่รุ่นนะจี๋ใช่ไห ม, ไมเคยไปไห ม, ไมเราไม่เคยเข้าไปแบบอยู่ใกล้วัดาจารย์ชินแต่เราไม่เคยเข้าไปแต่เราคุ้นเคยกับเพื่อนอยู่อาจารย์ อ, อ, น, อ น, นันตนอันนี้ท่านเจริญมรรสติท่านโอ้ท่านมีวาสนาเกี่ยวเจริญมรรสติได้ผลอาจารย์ อ, น, อ น, นันต หมดเวลาเมื่อกี้สิบกวนาทีอย่างที่เดี๋ยวที่เดี๋ยวไม่ดูไม่ อ, อืมเราต้องอัดไปฟังทบทวนเพราะเราพูดผิดพูดถูกเราจะได้รู้มิฉะนั้นเราก็ไม่รู้นะ เราไม่เคยฟังโอ้เราพูดผิดพู ด, พดถูกไม่รู้เรื่องเลยพูดสับสับชื่อคนสับชื่ออะไรต่ออะไร